หกวิตกะตึกะหนึ่งปุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจใจเก้าสิหสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจมีสี่วาระสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุ ต, หตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลละถึงสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาใจสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจเหตุตุปัจมีสิบเอดวาระพระถึงอวิคตาตุปัจมีสิบเอ็ดวาระยอ่อเก้าสิเจสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณซึ่งเป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุกปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อ๙๘สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุกปัจจัยมีสามสิบเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิเอดวาระละถึง อัญญมัญญปัจจัยมียีสิบแดวาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมีสิบอดวาระอาเสวนปัจจัยมีสิบอดวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสาสิบเจวาระย่อเจปีติถึกะหนึ่งกุศลถึกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุัวปัจจัยเก้าสภาวธรรมที่โสหรคต ด, ด้วยปีติซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่สหรค้ด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สหรค้ด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรค้ด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สหรค้ด้เบขาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรค้ด้เบขาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและสิบวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยาให้พิจาราหนึ่งร้อยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคด้วยปีติซึ่งเป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สหรรคด้วยสุขซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรรคด้วยสุขซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สหรรคด้วยเบกขาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรรคด้วยเบขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สหรรคด้วยปีติซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสิบวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอภิญากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอภิญากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอภิญากริตรายสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้ื่นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สหรคดูเบขาซึ่งเป็นอภิญากริตรายสภาวธรรมที่สหรคดูเบขาซึ่งเป็นอภิญากฤิเกิดขึ้ื่นพระเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอภิญากริตรายสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ และที่สหาราโคด้วยสุขซึ่งเป็นอพยยากฤษตเกิดขึ้นพระเหตุตปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจัยและสิบวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาน 8. ทัศนธติกะ หนึุ่ศลติกะ 1. ปฏิจจวาระเหตุปัจจัยร้อสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสาซึ่งเป็นกุศลหาสัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระร้อสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละสองวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจาราร้อยสี่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมรรคเบื้องบนสาม ซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมักเบื้องบนสามซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระเกทัศนะเหตุติกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจใจร้อยห้าสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมักเบื้องบนสามซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสามซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารร้อหสภา ว, รวาธาาวรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคบึงบนสามซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีหกวาระอรมณปัจจัยมีสิบวาระอธิปติ ป, ปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบวาระทุกปัจจใจพึงขยายให้พิสดารร้อยเจ็ด สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมัคเบื้องบนสาซึ่งเป็นอัพยกฤิอาจัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมัคเบื้องบนสามซึ่งเป็นอัพยกฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสีอาจยะคามิติกะหนึ่งกุศละติกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจใจร้อยแปด สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นขุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจทุกปัจจัยมีปัจจใจละสองบาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณ์ สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นอภยากฤษอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นอพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 11. เ, ะเอเขัติกะหนึ่งกุชละติกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัย9สภาวธรรมที่เป็นของเศขับุคคลซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเศขับุคคลซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขับุคคลและเศขับุคคลซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาศชาบุคคลซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาศชาบุคคลซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขบุคคลซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่เป็นของเศขารุคคลซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเศขารุคคลซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจใจมีเก้าวาระอรมะณปัจจัยมีสามวาร ะ, ร ะ, ร ะ, าระละถึงอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยเก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสิบสอง ปริตตะเถรเกหนึ่งกุศลติรเกหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัยร้อยสิสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรม ท, ท, ที่เป็นมหาคตตะซึสส่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมทีท่เป็นมหาคตตะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภัมมานะซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอปมาณะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระทุกปัจจัยเพึงขยายให้พิจาราร้อยสิบอดสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นอัพญากฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นพระเหตุตัปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นมหาคตะซึ่งเป็นอัพญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคตะซึ่งเป็นอภิญากฤิเกิดขึ้นพระเหตุตัปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอปมาณะซึ่งเป็นอภิญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอปมาณะซึ่งเป็นอภิญากฤิเกิดขึ้นพระเหตุตัปัจจัยย่อ เฮตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอาสิวะปัจจัยมีสองวาระกรมมปัจจัยมีสิบสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่อสิบสปริตารรมณะเถกะ หกุศลตึกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัยร้อสิบสองสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคัตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่มีอภปมณะเป็นนอารม์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่มีอภปมณะเป็นนอารม์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถปัจใจทุกปัจใจมีปัจใจและสามวาระทุกปัจใจเพิ่งขยายให้พิสดารร้อสสภาวะธรรมที่มีปริตะเป็นนอารม์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่มีปริตะเป็นนอารม์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถปัจัย สภาวธรรมท um, hmm. um ี่มีมหาคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมหาคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร1้อสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอภิญากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรม ท, ที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีอ ป, ปิมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่มีอภปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพระยาะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจและสามวาระทุกปัจจใจพึงขยาให้พิดารณาสิบสี่ หินนาติกะหนึ่งกุศลนติกะหนึ่งปฏิเจวาระเหตุปัจจัยร้อยสิบห้าสภาวธรรมเช่นกลางซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมเช่นกลางซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมเช่นปานิซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมเช่นปานิซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระ ทุกปัจจใจพึงขยายให้พิจาราร1อยสภาวะธรรมเช้นต่ำซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมเช้นต่ำซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระร้อสภาวะธรรมเช้นกลางซึ่งเป็นอัพยกฤิตอาศัยสภาวะธรรมเช้นกลางซึ่งเป็นอัพยกฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุทกปัจจัยสภาวะธรรมเช้นปราณีซึ่งเป็นอัพยากฤิต อาศัยสภาวะธรรมชั้นปานีซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมชั้นกลางและชั้นปานีซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระปรมณ ป, ปัจจัยมีสองวาระละถึงอายตวณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ ทุกปัจจัยเพื่งขยายให้พิจารณาสิบห้ามิจฉัตเดกะหนึ่งกุศลเดืกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัยร้อยสิบแปดสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจารณาร้อยสิบสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็น yani. อกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัย <unlucky. S 2> สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุกปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอพยยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุุกปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสิบหกมัคคารมณติกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจใจร้อยยี่สิบสภาวธรรมที่มีมัคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมัคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมัคเป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมัคเป็นเหตุซึ่งเป็นกุศล เกิดข er ึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี ส, ส, ส, ส, ส, ส, ส, สามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์และที่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุและที่มีมรรคเป็นอธิปดี Goddess, ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาร ะ, дела, าระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระย่อร้อยยี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพญากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอภิญากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปฏิซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปฏิซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์และที่มีมรรคเป็นอธิปฏิซึ่งเป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุทุปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณ สิบกุปันาติกะหนึ่งกุศลติกะเจปัญหาวาระเหตุ ป, ปัจใจร้ยยี่สสองสภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระทุกปัจจัยเพียงขยาดให้พิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอ ก, กุศล เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซ e ึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยาให้พิสดารสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอัพยากฤิตโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอุปาณิเสยปัจจัยมีสามวาระ และถึงอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจยเพึงขยายให้พิสดารสิบแปดอตีตะเดกกะหนึ่งกุศละดิดกกะเจ็ดปัญหาวาระเหตุ ป, ปัจจรอยยี่สิบสาม สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระทุกปัจจัยเพื่อขยาให้พิสดารสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นอัพยากร เป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นอพยยากฤิตโดยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรจจมามาร ะ, ะนะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอุปนิสัยปัจจัยมีสาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสิบเอติตารามณติกะหนึ่งกุสลติกะ หปฏิจจวาระเหตุปัจจัยร้อี่สิบสภาวธรรมที่มีอดจธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีอดจธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีนักพธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีอนักพธธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศล อาศ hm ัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละสามวาร ะ, ะทุกปัจจใจพึงขยาให้พิสดารร้อยี่สิบห้าสภาวธรรมที่มีอดตธรรมเป็นอารมณ์ซ er ึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีอดชธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศล อาศั ย, ศยสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจทุกปัจจัยมีปัจใจและสามวาระทุกปัจจัยพึงขยาให้พิจารณาร้อยี่สิหสภาวธรรมที่มีอดิตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอภิญากฤต อาศัยสภาวธรรมที่มีดิจธรมเป็นอรารมณ์ซึ่งเป็นอภิยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่มีนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอภพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระทุกปัจจัยเพึงขยายให้พิจารณายี่สิบอชนตต ะ, ะติกะหนึ่งกุสลติกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัย127ร้อยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นก hey. well, ุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกป um ัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกป um ัจจัยเพื่อขยาดให้พิจาราร้อยี่ส um ิบปดสภาวธรรมที um ่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละสองวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจาราร้อยยีสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิสดารยี่สิเอ็ดอาชิตตารมณติกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัยร้อยสามสิบสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระ ทุกปัจใจเพิ่งขยายให้พิดารสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละสองวาระทุกปัจใจเพิ่งขยายให้พิจารณ์สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณ์ยี่สิบสองสันนิทัศนะติกะหนึ่งกุศลเตกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัยร้อยสาสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระร้อสสองสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤต อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอภิยากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอภิยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และสส publish. ที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอภิยากริอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอภยากริเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสาสสาสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอภิยากริอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอภยากฤ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรม ท, ที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรม ท, ที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อร้อสามเหตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมียี่สิเอดวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระ ละถึงอวิคตะปัจจมียี่สิเอ็ดวาระย่อพึ่งขยายสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทำมนุโลมติอกะติ ก, ะ, ตกะปัฐานจบ พิธ ร, รมปิโดธรรมานุโลมทุกกะทุกกะปัฏฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งเสตุทุกกะเสเหตุก ะ, ทก ะ, กะบทหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจยะจะตุกนัยเหตุปัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุ เกิดขึ้นเพระเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 ปัจญญาณัตถิปติปัจจัยาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะนัตถิปติปัจจัยย่อนัตถิปติปัจจัยมีเก้าวาระนัปุเรชาติปัจจัยมีเก้าวาระนัจชาชาติปัจจัยมีเก้าวาระนักกรรมปัจจัยมีสามวาระนัวิปากปัจจัยมีเก้าวาระ วิปยุตตปัจจัยเหนียงก้าวาระย่อณอธิปฏิปัจจัยพพจกับเตสตุปัใจจัยเหนียงก้าวาระย่อเฮตุปัจจัยจกับณอธิปติปัจจัยเหนียงก้าวาระยอ่อสหชาต ว, วาระปัจจยะวาระนิสยวาร ะ, าระสังสถทวาระและสัมยุญตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเฮตุปัจจัยและอารมณะปัจจัยหก สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุโดยเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุโดยเหตุถูกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุโดยเหตุปัจจัยเจ็สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุ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 ปุปนิสยปัจใจมีเก้าวารวะอาเสาวนัปจใจมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระวิปาก disciple disciple ปัจใจมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจใจมีเก้าวาระฌานปัจจใจมีสามวาระมรรคปัจใจมีเก้าวาระสมปรยุตตปัจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระย่อ เพื่อขยายให้พิจารณาเหมือนกับปัญหาวาระในกุศลเตกะพระเหตุตุกะบทปัจจะยะเจตุกระในก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุ อาจจะสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยยอ่อเพศตัวปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคัตปัจจัยมีสามวาระยอ่อสหชาติวาระและถึงสัมปยุตต์วาระเหมือนกับปฏิจจวาระสิบ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยของสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุโดยเหตุุกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยของสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุโดยรมณัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยของสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุโดยรมณัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุ เป็นปัใจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยย่อสิบเอเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีสี่วาระละถึงสหชาตะปัจจัยมีสามวาระ อัญญมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยะปัจจมีสี่วาระอุปนิสยะปัจจมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาสวนะปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระสำยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจัยมีสามวาระและถึง อวิคตะปัจใจมิเศวาระย่อพึงขยายให้พิจารณเหมือนปัญหาวาระในขุสรดึกกะหนึ่งเหตุทุกกะสองเหตุสัมยุญตะทุกกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระปัจยะจตุกนาหเหตุปัจใจสิบสองสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมยุญด้วยเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมบุญด้วยเหตุ เกิดขึ <Gee Stupid>. ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปัจจุติเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปัจจุติเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปัจจุติเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปัจจุติเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปัจจุติเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปัจจุติเหตุ เกิดขึ mm ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุติเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุติเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสิบสามเหตุปัจจัยมี9ก้าวาระอรมณะปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระย่อสิบส สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตได้เหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตได้วยเหตุโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระยอ่อพึ่งขยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในขุสรติกละสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งวิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยมีสามวาระอะระมะณะปัจจัยมีหนึ่งวาระ และถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึ่งขยายสหาชาตะวาระและถึงสัมปยุตตะวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระ 16. สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากเหตุดยเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ธรรมณปัจใจมีสี่วาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสี่วาระย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนกับปัญหาวาระในกุศลตึกแกะหนึ่งเหตุทุกกะสเหตุสเสหตุกะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนายเหตุปัจจัยบเจสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุ อาศัย ma, สภาวธร ma, รมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระหนึ่งเหตุทุกกะสี่เหตุตุเหตุตุสัมบุญตตะทุกกะ หปฏิจจาวาระปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย18สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุทธ er. ์ด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุทุกปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจใจละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุここปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระหนึ่งเหตุทุกกะห้านันเหตุจเหตุกะทุกกะสิเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุ enfin อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระเหตุโคจะกะจบหนึ่งเหตุทุกกะหกสับปัญญทุกกะ หนถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะตุกนัย์ยี่สิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพาราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุถูปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อสหาชาตาวาระและถึงสัมยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระยี่สเอ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอุปนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจจาชาติปัจจัยมีสามวาระอาเสิวะนปัจจัยมีเก้าวาระธรรมปัจจัยมีสามวาระ วิปากะปัจจัยมีก้าวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีสามวาระชาณะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระสพยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระย่อพึงขยายปัญหาวาระให้พิจารอย่างนี้หนึ่งเหตุทุกกะเจ็ด สังคตทุกกะยี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุตุปัจจัยเนีกลาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเนีกลาวาระเหมือนกับสัพพจยะทุกกะหนึ่งเหตุตุทุกกะแปดชนิทัศนะทุกกะยี่สิบสาม สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระ ยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงขยายสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณหนึ่งเหตุทุกกะเก้าสัพติฆาทุกกะยี่สิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกระทบได้อาแต่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระยี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้ เก e? ิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยในเ้าวาระอะระมะณะปัจจัยมีเก้าวาระ ละถึงอวิคตะปัจจยเมีก้าววาระยอ่อพึ่งขยายสหช า, าตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดาลาหนึ่งเหตุทุกะสิบรูปีทุกะยี่สิบหก สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สิเจสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูป เกิด <asthma> ขึ้นเพ no no ราะเหตุตุปจาใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจาใจมีสามวาระย่อเหตุตุปปาใจมีเก้าวาระอารามะนะปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตาปัจใจมีเก้าวาระย่อพึ้นขยายจักระวาระและถึง ปัญหาวาระให้พิดารณหนึ่งเหตุทุกกะสิบเอ็ดโลกิยาทุกกะยี่สิบปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกิยาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกิยาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกิยาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกิยาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกีะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกีะเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุตุปัจจใจมีเก้าวาระอรมาณะปัจจัยมีเก้าวาร ะ, ร ะ, ะ, ร ะ, าระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงขยายจหชาตวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาอย่างนี้ยี่สิบเก้า สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรามณะณปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงขยายสหาชาติวาระสัมยุตตาวาระและปัญหาวาระให้พิจารเหมือนกับปฏิจจาวาระ 1. เหตุทุกกะ 12. เยนจิวินเยยะทุกกะ สาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยเมียกล่าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยเมียกล่าวาระย่อพึ่อขยายสหชาตาวาระและถึงปัญหาวาระให้พิสดารสาสอดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งจิตบางดวงรู้ไม่ได้ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งจิตบังดวงรู้ไม่ได้เกิดขึ้นพระเหตุตุปจจยย่ยอเหตุตุปจจเมก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัเมก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาจูลันตระทุกกะจบ หนึ่งเหตุตุทุกกะสิบสาอาสวะทุกกะสามสสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสะวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย<อ>่อเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระ และถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกป <33. S 3> ัจใจเพื่อขยายให้พิจารณาสามสิบสามสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสะวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสะวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุตุปัจใจนิฆ่าวาระและถึงอวิคตะปัจใจนิฆ่าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาหนึ่งเหตุตุทุ ก, กะสิบสี่ชัสาาวาทุกกะสามสิบสี่ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีกาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจารณาสาสิห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที hey ่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุตุปัจจัยมีก้าวาระและถึง อวิคตาปัจใจเมงแกาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณ์หนึ่งเหตุุทุกกะสิบห้าอา จ, จะวะสัมปยุตตทุกกะสามสิบหกสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตได้วยอาจวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตได้วยอาจวะเกิดขึ้นเพราะเหตุจจหตุปัจจัยย่อเหตุตปัจใจเมงแกลวาระละถึงอวิคตะปัจใจเมงแกลวาระ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณ์สามสิบเจสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีกล่าววาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาววาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณ์หนึ่งเหตุทุกกะสิบหกอสวะสาสวาทุกกะ 38. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสามสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ แต่ไม่เป็นอาสะวะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะเกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจจัยย่อเหตุตุปปัจใจมีกล่าววาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาววาระทุกปัจจใจพึงขยาให้พิดารณหนึ่งเหตุทุกกะสิบเจอาสะวะอาสะวะสัมปยุตตาทุกกะสี่สิสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสะวะ และสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะและสัมปยุทธ SU> ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยพึงขยาให้พิจารณาสี่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ แต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยพึ่อขยาให้พิสดารหนึ่งเหตุทุกกะ 18. อาสวะวิปยุตตะสาสวะทุกกะ4ี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะ แต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยเมียง่าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยเมียาวาระทุกปัจจัยพึงกระยาให้พิจารณาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ เหตุปัจจัยมีก้าวาระและถึงเอาวิคตะปัจจัยมีก้าววาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณเหตุทุกกะและอาสวะโคชรกะจบ